อาจารย์ศรีสุพังอินไซเราก็มาเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเจริญสติซึ่งดูแล้วก็เป็นเรื่องเก่าๆ เ, เดิมๆแต่ว่าเก่าๆ เ, เดิมๆ เ, เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่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 ชาให้เรารู้ลงไปในอาการของมันอาการของเวทนานั้นก็มีอาการตึงๆหนักๆชาชาอันนี้เราคืออาการอย่าไปรู้มืนว่ามันมาจากไหนทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยรู้ในสมมุติละมันจะลึกไปละเรารู้แค่อาการที่มันตึ ง, ตงมๆมื่ยๆหนักๆอนนี้คืออาการคือรู้ที่ความรู้สึกของเวทนาน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 ไม่มีที่ตั้งมีแค่อาการที่มันฟูๆแฝบๆนั่นล่ละคือความรู้สึกของจิตหรือบางครั้งมันเกิดความง่วงจะมันเกิดความง่วงขึ้นมาเราอย่าเข้าอยู่ในความง่วงล้วลึกลงไปในความง่วงนั้นมีสติลงไปความง่วงมีอาการที่มัน มึนๆซึมๆไม่แช่มชื่นสังเกตุอาการเหล่านี้เนี่ยอันนี้ก็คือความรู้สึกของความง่วงเป็นธรรมะเราเลื่อกลู้ลงไปในความรู้สึกที่มันมึนๆไม่เจ่มชื่นเนี่ยหนักๆกําลังจะครอบงำจิตใจเรานี่นี่แหละคือความรู้สึกจะว่าเห็นธรรมในธรรมก็ได้เห็นธรรมสักแต่ว่าธรรมคือธรรมะ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 ถ้าเราคว้าเอาความไม่มีทุกข์ในจิตใจในปัจจุบันแล้ว